พุทวธสวัสดีค่ะดิฉันสันสนีนาภงกํา ล, กลังจะนําท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้สันสนีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอ็ม้นไปกราบน้อมสักการพระมหาภัยบุญอภิปุลโนเพื่อได้ประโยชน์จากธรรมะทั้งหลายที่ท่านจะมาแสดงผ่านการตอบข้อสงสัยต่างๆที่ดิฉันได้ตั้งถามท่านหรือว่าบางทีท่านฟังได้ตั้งคําถามนั้นมาให้นะคะไปกราบน้อมักการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะ มรดการกับท่าน ค, ค่ะค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านยังสอนคนที่ไปเรียนปฏิบัติธรรมกันอยู่ใ ช, ใช่ไหมคะใช่ใมีการสรับที่พ ร, พระพุทธเจ้าใช้ก็คือหลีกร้นที่วัดเราก็จะมีจัดหลีกเร้นกันทุกเดือนเดือนละครั้งค่ ะ, คะท่านครับเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการพูดถึงเรื่องยานเรื่องฌานแล้วท่านก็บอกว่าฌานนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทําก่อนนะคะ เพื่อให้เกิดสมาธิแล้วยานคือปัญญาอย่างรู้เนี่ยปัญญาญาจะเกิดขึ้นใช่ใชแล้วท่านก็พูดถึงว่าปัญญาญาเน่ยมีหลายระดับก็ไล่กันไปเรื่อยจนกระทั่งมาถึงจุดตูปปตาตญาณบุ เ, เพนิวาสานุสติญาณแล้วก็อสวรกายญาณทีนี้ท่านบอกว่ายานสําคัญที่สุดเนี่ยคือญาณที่หกที่พระอาหารทุกคนต้องได้ถูกไหมคะญาณแห่งการสิ้นกิเลส แต่ว่ายานข้างบนนั้นเนี่ยยังอยู่กับกิเลสทีนี้อืสัพบๆคําหนึ่งที่อาจจะเคยได้ยินกันก็คือยังเป็นโลกีะปัญญาใ น, นส่วนที่เป็นเกี่ยวกับยานตรงห้าอย่างแรกยังเป็นโลกีะปัญญาอยู่ก็คื อ, อยังเกี่ยวข้องด้วยโลกยังมีกิเลสอยู่ว่างนั้นเถอะค่ะทีนี้ดิฉันจึงสงสัยว่าผู้ที่เกือบจะเป็นอริยบุคคลแต่ว่าเป็นผู้ที่มียานต่างๆนั้นแล้วและยังเกี่ยวข้องกับกิเลสอยู่อยที่ท่านว่า น, น, นะคะลักษณะ จะเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างเช่นบางคนเนี่ยที่เขาสนใจคำสอนพระพุท ธ, ธองค์แล้วก็นำมาคำสอนเข้ามาดำเนินในชีวิตประจำวันนะคะบางทีก็ยังมีความรู้สึกว่าเอาส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิภาวนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนก็ได้พบว่าเหมือนกับเรายังมีปฏิกิริยาต่างๆกับอารมณ์ที่มากระทบทำให้เราสะท้อนกลับไป ด้วยสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นอาสวะต้องแบนี้เลยคะราคะโทสะโมหะใช่โกรธบ้างลงบ้างก็มีธรรมดาเท่าเท่ากับว่าผู้ที่ก่อนจะเป็นอรหันตบุคคลซึ่งเป็นอริยะบุคคลในขั้นสูงสุดเนี่ยก็ยังมีในสิ่งเหล่านี้ไหมคะใช่ใช่ใช่แต่นี้ก็อยู่ที่ว่าจะเป็นขั้นไหนเป็นขั้นไหนเกิดถ้าเป็นอริยะบุคคลในขั้นสามขั้นแรกความเบาบางก็จะค่อนข้างเบาบางหน่อย แต่ที น, นี้ถ้าไม่ได้เป็นอาญะบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งเลย่สมมุติว่าคุณมีความรู้พิเศษเช่นมีหูทิพตาทิพรู้วาระจิตคนแล้วถ้าบอกว่ายังแบบมีกิเลสอยู่มากใช่ไหมอาจจะใช้ความรู้ของตัวเองเนี่ยยกตนข่มท่านได้ก็หรือว่าทิ่มแทงคนอื่นได้รู้วาระจิตเขาก็ด่าเขาเน็บเขาแล้วเรื่องไม่ดีเขามากุดมาพูด อ, อันนี้อันนี้เกิดขึ้นได้ ท, ท, ทีนี้เอาอย่างแบบก็คิดว่าเป็นพื้นพื้นไม่ถึงขนาดที่ จะรู้วาราจิตใครหรอรู้แต่ว่าได้รับการกระทบเลยสมมติว่าเป็นผู้ปฏิบัตินี่แหละนะคะ mm hmm. แต่มีใครที่มาทำให้เรารู้สึกเหมือนกับมันกระทบตัวตนเรา อ, ะ mm hmm. อ่ะอ่าเหมือนที่เขาเปรียบเทียบกันว่าถ้าเราเป็นคนเจ็บเองเนี่ยเรื่องเดียวกั น, เ, นเรามองไปที่คนอื่นเจ็บมันพื้นๆ mm hmm. แต่มาสะกิดแล้วนิดนึงเนี่ยมันตื้อแล้วก็มีปฏิกิริยา ต, ตอบกลับ แต่ตอบกลับไปปุ๊บนี่คิดได้เลยนะคะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนทั่วๆไปต่างหากถึงจะเจอถ้าเป็นระดับไตรเต้าของพระอาหารหันต์ในระดับต่างๆแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่แบบนี้ความความหนาบางก็จะไม่เท่ากัน mm hmm. ก็คืออย่างน้อยอราคาโทรศพัพโมหะเนี่ยมันมีแตถ้ายังไม่ใช่พระอาหารหันต์ต่อให้อนาคามีก็ยังมีแต่ว่าผลที่มันจะแสดงออกมาเนี่ยมันหนักหรือมันเบา ถ้าหนักหนกระดับไหนหนักเกินระดับศีลผิดศีลไปเลยเช่นฆ่าสัตว์หนักฆ่าคนก็เมือของนี่คือราคะโทรศัพท์มือถือมันมากหนักมากจนกระทั่งคุณทําผิดศีลอันนี้ก็จะมีโทษแรงแต่ถ้ามีอยู่แบบจีจ๊จ๊ด า, าดด่าว่าแต่ก็ยังอยู่ในกรอบของศีลอันนี้ก็ยังดีหน่อยยังดีหน่อยทีนี้ถ้าสูงขึ้นไปอีกนะครับว่าดีหน่อยนี่ก็คือค่อนข้างเป็นประเสริฐแล้วนะประเสริฐแล้วถ้าคุณยังอยู่ในกรอบของศีลก็ชื่อว่าอยู่ในโสดาปฏิมากรแล้ว โดาปฏิมาคแล้วถ้าดีขึ้นไปอีกเช่นอนาคามีเนี่ยไ อ, อการที่จะออกมาทางวาจาแทบจะไม่มีแต่มันจะมีหึ่มๆอยู่ในใจบ้างนีมีแล้วก็ดับได้ค่อนข้างเร็วแ ต, แต่ยังมีอยู่แต่ถ้าอ า, าหารเกิดขึ้นปุ๊บนี้ดับวับทันทีอ๋อค่ะในอริยบุคคลขั้นต้นหรือว่าเป็นผู้ที่กำลังพยายามที่จะไต่การเป็นอริยบุคคลขั้นต้นที่ท่านบอกว่าโซดาปฏิมคใช่ไมคะกําลัง พยายามปฏิบัติตามหนทางอันเป็นเครื่องแห่งการดับทุกข์กที่ว่ามากักค่ะอาจจะต้องอาจจะต้องมีบ้า ง, างแต่ไม่หลุดไปจากกรอบสีถูกต้องถูกต้องแต่ถ้าไต่เต้าขึ้นมาเป็นระดับที่สองอนาคามีปุ๊บอันนี้จะไม่มีอาการที่เป็นปฏิกิริยาออกมาด้วยวาจาใช่ใช่ จ, จะจะค่อนข้างเรียบร้อยขึ้น ทีนี้ระดับที่สองจริงๆแล้วคือสกัตตาคามีนะขอโทษค่ะอันนัคามีนี่คือระดับสามสกัตตาคามีก็คือพอพอกรกโสดาบันแต่ว่าราคะโทสะโมหะนี่ก็เบาบางลงไปอีกแตเบาบางลงไปอีกอก็คืออาจจะมีบ้างแต่ว่าน้อยกว่าก็ยังอยู่ในกรอบของสีเหมือนกันนี่นะคะก็เข้าใจมากขึ้นเยอะทีนี้ท่านได้กล่าวตั้งแต่เตรียมจะบันทึกรายการในส่วนนี้บอกว่า ถ้าอยากจะพูดถึงเรื่องของการนำเอามัคทั้งหลา ย, ยไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เกิดคำถามข้อสงสัยแบบเรื่องพื้นๆของการใช้ชีวิตท่านยกตัวอย่างมาเนี่ยดิฉันว่าพื้นจริงๆเลยนะคะที่ว่าเปรียบเสมือนกับคนเปลี่ยนสถานที่<ว>อยู่สิ่งแวดล้อมไปอยู่ต่างประเทศคุ้นเคยกับที่นู่นแล้วใช้เวลาห้าสี่ห้าปีอย่างนี้พอกลับมา มาเจอสภาพแวดล้อมเดิมๆที่ไม่พัฒนาเท่าประเทศที่เจริญแล้วที่เคยไปอยู่ก็เกิดสิ่งที่เรียกว่ารีเวิร์สเขาจะช็อกใช่เกิดปฏิกิริยาจะใช้ภาษาไทยว่าอะไรนี่คะก็อาจจะแบบว่าตกใจกลัวไม่พอใจเครียดอารมณ์บูดเบี้ยวอะไรต่างๆดากราดอาจจะเป็นไปได้หลายแบบค่ะ เกี่ยวกันรอคะกับเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยเกี่ยวกันมากมากเลยเอาเอาโดยเหตุงแค่ว่าเรื่องราคาโทรศัพท์มือที่มันออกมาเนี่ยนะมันออกมาจากใจถูกไหมจากใจแล้วก็พ่นออกมาทางวาจาผ่านมาทางกายต่างๆทีนี้กระบวนการในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทําจิตของคนให้ประเสริฐขึ้นเนี่ยก็อยู่ในกรอบของศีลดังนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นข้อปฏิบัติที่เราต้องทําอยู่ในชีวิตประจําวันละคือมันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ที่วัดไม่ใช่เป็นชีวิตที่แยกออกไปอีกอันหนึ่ง น่ะไม่ใช่อะไรคือมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่เลยในเรื่องทางธรรมะนะศ <คะ S 1> ีนี่เป็นตัวอย่างอันแรกที่เราจะเห็นได้ชัดเจนในเห็นได้ชัดเจนคือถ้าเราฆ่าคนน่ะผิดกฎหมายบ้านเมืองแน่นอนเน <คะ S 1> ี่ยเรก็ถ้าเราโกหกน่ะไม่มีศาลประเทศไหนในโลกอะคุณโยมติวที่เขาจะบอกว่าถ้าคุณโกหกศาลได้เนี่ยจะลดหย่อนผ่อนโทนให้คุณน่ะมันไม่มีน่ะมันจึงอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอันนี้ศีนี่เห็นได้ชัดเจนนะทีนี้ว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยบางทีเขาพยายามจะบิดเบือน ก็ะจะพยายามจะบิดเบือนเช่นทําสุราให้ถูกกฎหมายแต่สุรายังไงมันก็ไม่ถูกกฎหมายา แ, แต่เขาพยายามทํากันอยู่ประเด็นก็อ่านี่ก็ผ่านไปไม่เป็นไรแตนะทีนี้ที่เราจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นอีกอันที่2อนะีถัดมาจากเรื่องของสีเนี่ยก็คือเรื่องของจิตในเรื่องของจิตในประเด็นเช่นว่าเราเจะผ่านศาตรที่ไม่น่าพอใจเอาไม่ต้องเอากายเอาแค่ลูกหรือเอาผัวหรือคนข้างเคียงนะคู่ครองนี่แหละนะญาติมิตรต่างๆเนี่ยบางทีลูกกวนตัว ใช่ป่ะวิจวาดอะไรต่างๆมีเรื่องราวที่ไม่พอใจกระทบกระทั่งในครอบครัวทํำไมพ่อผัวแม่ผัวเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเนี่ยคือมากระทบจิตละแต่ถ้าจิตเนี่ยไม่มีที่ตั้งที่อาศัยมันจะมีอาการเนี่ยมันจะมีอาการจีบเครียดนะีแล้วก็แบบไม่สบายใจเนะ่จนกระทั่งอาการบางทีออกมาข้างนอกเป็นอาการป่วยแต่นะตรงนี้คือเรื่องของจิตนั่นเองเนะี่ยที่เป็นไปนในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกเหมือนกันนะีตัวอย่างที่ ได้คุยกับคุณยมติ๋วในตอนแรกก็คือเรื่องของคนบางคนเนี่ยเขาไปเรียนต่อต่างประเทศใช่ไหมแบบว่าเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไปในสังคมที่มันเจริญทุกคนมีระเบียบวินัยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันรู้จักหน้าที่อะไรต่างๆใช่ไสิ่งแวดล้อมบ้านเมืองเขาสะอาดสดใสอยู่ไป5ปี10ปีมีความคุ้นเคยแล้วปรับตัวเข้าได้เรียบร้อยพอกลับมาเมืองไทยเมืองไทยมันก็เป็นแบบของเมืองไทยนะ <C> e อาจจะมีจุดที่ไม่เรียบร้อยบ้างอาจจะมีคนที่ไม่รู้จักหน้าที่บ้างอาจจะมีคนจนขอทานหรือว่าระบบอะไรต่างๆมันก็เป็นไปตามที่มันเป็นอยู่ตอนนี้นก็เลยมีความไม่พอใจเกิดขึ้นแะต่มีความไม่พอใจแบบเครียดนะบางทีก็มีอาการเครียดแล้วออกมาทางกายนะ <C> e ป่วยตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างๆศทนะ <C> e ในที่ทางนักสังคมวิทยาเขาคิดค้นขึ้นคาใหม่ตรงนี้ <C> e เาก็เรียกว่า reverse culture shock <C> e นะ reverse culture shock ก็คือสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่นั่นแหละสมัยตอนที่คุณยังเป็นเด็กแต่พอคุณไปต่างประเทศกลับมาคุณกลับมีปัญหากับสิ่งแวดล้อมแบบนี้ออันนี้คือเรื่องของจิตโดยชัดเจนเลยของจิตแน่นอนเพราะว่าจิตทําไมเราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจไม่ว่าจะมาเป็นรูปแบบไหนละ่นะซึ่งในตอนนี้ตัวอย่างที่ยกนี่ก็คือมาในรูปของสิ่งแวดล้อมแต่มาในรูปของสิ่งแวดล้อมซึ่งเราก็เคยอยู่อย่างนั้นมาแต่แต่พอมาอีกผ่านไปห้าปีสิบปีเอ๊ะทำไมเรา อยู่ไม่ไดนะ้นนี่คือเป็นเรื่องพุทธศาสนาแน่นอนเลยแน่นอนเลยวิ่งทางคำสอนของพรุทธเจ้าแน่นอนสามารถใช้แก้ปัญหาไดนะไซ้ซึ่งซึ่งในทางสังคมวิทยาเนี่ยสังคมจิตวิทยาเนี่ยเขาก็จะแบบให้คุณผ่านการก็จะมีกระบวนการที่เรียกเทอราพีนะกระบวนการกระบวนการรักษาของเขานะซึ่งจะรวมถึงการาคุยปรึกษานะหรือว่าหาที่พึ่องอะไรต่างๆ ทีนี้กระบวนการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยบางทีมันก็ได้ผลบางทีมันก็ไม่ได้ผลนะเขาจึงตั้งเป็นเทอมขึ้นมาที่เรียกว่าวิริอัลกล่าวเชอร์ช็อกยันตีว่าแต่ <c oughs> ว่าถ้าบอกว่าจิตของเราเนี่ยแต่ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโรคไข้ไม่ไข้เจ็บอะไรต่างๆที่เกิดทางจิตเนี่ยถ้าบอกว่าเรามีรู้กระบวนการการทํางานของเขาเราสามารถที่จะแก้ไขหรือป้องกันได้ตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดด้วยซ้ำอ <c oughs> ันดับแรกก่อนก็คือว่าจิตของเราเนี่ยมันมีธรรมชาติอย่างหนึ่งที่จะเข้าไป รับรู้สิ่งต่างๆอย่างเช่นการที่ตะบูฟังได้ยินเสียงของอาตมาหรือเสียงของคุณยมติ๋วเนี่ยเปราว่าหูมันมีหูถูกไหมแล้วจิตเนี่ยเข้าไปรับรู้เสียงผ่านทางหูได้ น, นี่เป็นธรรมชาติทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าสอนทีนี้ว่าจิตเนี่ยถ้ายังมีกิเลสตัณหาอวิชชานี่ยคือยังมีตัณหาอยู่ในเวลาไปฟังสิ่งใดรับรู้สิ่งใดผ่านทางหูในกรณี้คือเสียง หรือว่าเห็นสิ่งใดผ่านทางตาในกรณีนี้คือรูปเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ที่ว่าจิตนั้นจะไปยึดถือในสิ่งนั้นได้ค่ะแต่ทีนี้ตรงจุดที่เรียกาความยึดถือเนี่ยแต่ละคนมันจะแตกต่างกันแต่ถ้าชอบมากก็จะยึดถือมากถ้าชอบน้อยก็จะยึดถือน้อยถ้าไม่ชอบก็จะยึดถือในลักษณะที่ว่าเป็นความอยากที่จะไม่ได้มันค่ะแล้ก็ยึดถืออยากที่จะไม่ได้ก็เป็นความอยากเหมือนกันแต่เป็นทางตรงกันข้ามอยากได้หรือว่าอยากที่จะไม่ได้ นะ <Okay. S 1> ก็จะยึดถือในลักษณะนี้ก็จะหนักหรือเบาไม่เท่ากันและแต่ละคน <Okay. S 1> แต่ละคนไม่เท่ากันเพราะว่าพื้นฐานพื้นเพจิตใจมันต่างกันนะที่พื้นฐานพื้นเพจิตใจมันต่างกันนี่ก็เพราะว่ากรรมมันก็สร้างมาต่างกันมีประสบการณ์ต่างกนันก็ต่างกันไป <Okay. S 1> แต่ธรรมชาติการทํางานจะเป็นอย่างนี้มากน้อยต่างกันทีนี้คนที่ถ้าบอกว่าไปยึดถืออะไรมากๆในะยึดถือมากๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีความแนวโน้ม ที่จะทําให้ราคาโทสะโมหะเนี่ยมันออกมามากค่ะ <Okay. S 1> นะตรงนี้มันจะเป็นช่องทางให้นะเพราะว่าตัณหาอาวิชชาเนี่ยเป็นเหมือนกับรากนะรากให้อะไรให้ต้นให้ดอกคืออะไรคือราคาโทสะโมหะนี่มันจเจริญเติบโตขึ้นมาค่ะ <Okay. S 1> นะพอมันโตขึ้นมาแล้วนะถ้าบอกว่ารากมันลึกนะแล้วก็หนาแน่นใบมันหนาแน่นนะคือตัณหาอาวิชชามากเนี่ยดอกผลอะไรต่าง ม, มันจะเจริญมาก ก็คือเปรียบเหมือนกับถ้าเรามีตัณหาวิชามากในเรื่องนี้นะในเรื่องนี้นะเรามีมากเวลามันออกผลมาเป็นราคาโตสามวหมมันจะมากนะซึ่งเปรียบเทียบกับอย่างเช่นว่าเราไปยึดถือในอะไรเราไปยึดถือในสิ่งแวดล้อมที่ว่ารอบในที่นี้หมายถึง culture ของเขานะโอ้ทุกคนบ้านเมืองเป็ น, ป น, ปนระเบียบเรียบร้อยทุกคนเอื้อเฟื้อเกื้อกูลรู้จักหน้าที่คนะรบในกฎบ้านเมืองคนะรบในเกียรติของคนอื่นนะตรงนี้คคุณยึดละ แหมดีมากเลยฉันยึดติดหนึบเลยนัก็ชอบเพลิดเพลินรุ่มโรงในสิ่งนี้พอไม่ได้นักกินเหลมมันก็จะออกมาเป็นลักษณะของโทสะนัคือถ้าได้เนี่ยยินดีก็จะลุ่มโรงมีราคาตรงนั้นนะมันก็จะออกดอกเป็นอย่างนี้นะจิตมันมีรากคือตัณหาวิชาทีนี้ถ้าไม่ได้นะมันก็จะถูกออกมาเป็นลักษณะของโทสะนัก็จะออกมาในรูปแบบของเครียดนะด่าว่าคนอื่นเขาหรือว่าเข้ากับคนไม่ได้ นะพอใครทำให้ขัดใจนิดนึงก็ด่ากราดนะหรือมีปัญหาในการทำงานไอ้ความรู้สูงนะมีความสามารถสูงแต่ทำไมทางานเข้ากับคนอื่นเขาไม่ได้อย่างเงี้ยมาจองบางในรูปแบบนี้เป็นผลของอะไรราคาโทสะโมะ น, นั่นเองค่ะเธจะว่าไปเนี่ยเราอาจจะเปรียบเทียบกับตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกกรณีของการดำเนินชีวิตเนี่ยมีโอกาสที่จะเปรียบเทียบเข้าไป การอธิบายว่าเหตุเกิดเพราะอะไรอย่างที่ท่าอาจารย์กำลังอธิบายตามธรรมะของพระพุธองได้ไหใช่ใช่ถูกต้องเพราะว่าไม่ว่าจะอะไรอดีตอนาคตปัจจุบันผู้ชายผู้หญิงมันจะมาทางทาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งสิน้นค่ะเดี๋ยวจะไม่มาทางอื่นแล้วไอ้สิ่งที่มานี่ก็จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปวดร้าวธรมรมอารมณ์ทั้งสิน้นจะไม่เป็นไปอย่างอื่นเพราะฉะนั้นถนะ้าพูดแบบเรื่องใกล้ๆตัวที่สุดเนี่ยบางทีตัวเราเองหรือว่าคนรอบข้างตัวเราเองเ เป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนแรงมากมส่วนใหญ่ถ้าดีๆนี่เราก็จะไม่ค่อยอึดอัด จ, จนกระทั่งรู้สึกอยากจะยกมาเป็นตัวอย่างนะคะใช่แต่ทั้นที่จริงในะเรื่องตรงกันข้ามเช่นเราไปเจออะไรที่ทำให้เกิดเรามีความรู้สึกกับสิ่งนั้นดีมากอันนี้ก็ถือว่ามาเทียบเคียงอย่างนี้ได้ถูกไหมคะคือเหมือน ม, มีอวิชชาในทางในทางที่มันเป็นไปตามความชอบของเราเนี่ยใช่ใช่อันนี้คือความยึดถือ แต่ความยืดถือที่จะเกิดขึ้นได้งั้นท่านเหมือนกําลังจะบอกว่าถ้าเกิดมีคนข้างๆเนี่ยหากมีอาการเครียดกับบางสิ่งบางอย่างปรับตัวไม่ได้ถึงกับขนาดเพี้ยนสมมุตินะคะอืทํางานเนี่ยบางคนบอกโอ้โหนี่เรียนสูงมากเลยแต่ไม่อยากยุ่งด้วยเลยคูณไม่รู้เรื่องเหมือนจะบ้าๆอย่างนั้นแหละอย่างนั้นอันนี้นะคะท่านดิฉันเพิ่งไปเจอสุภาพสตรีท่านหนึ่งคือตัวเองเนี่ยได้บันทึกเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติอาณาปานสติอ่านหนังสือเอาไว้นะคะ เขาก็เดินเข้ามาคุยกับที่ฉันบอกแม่ขอบคุณมากคุณแม่เขานี่เป็นอัลไซเมอร์อืแล้วเขาบอกว่าเขาได้ให้คุณแม่ฟังธรรมะแล้วก็อาการดีขึ้นมากซึ่งดีงฉันก็งงเลคะเพราะเข้าใจว่าอัลไซเมอร์เนี่ยอันนี้เข้าใจแบบเหมือนกับสรุปให้เรารู้ว่าถ้าจะบอกว่าคนนี้เป็นอัลไซเมอร์ก็คือจําอะไรไม่ค่อยได้แม้กระทั่งจําคนใกล้ตัวมีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอื ก็ถามเพราะว่าช่วยได้จริงๆรเหรอเขาบอกจริงๆนะคะบอกแล้วฝึกยังไงบอกนูฝึกให้ท่านเนี่ยมีสติอยู่กับกายแล้วก็พูดถึงผลเนี่ยเหมือนกับพึงพอใจมากเธอพูดทํานองเหมือนกับว่าคุณแม่ทําท่าจะหายอย่างงี้เป็นไปได้เลยเหรอคะ่าเป็นไปได้เพราะว่าการที่เราจะกำจัดไอ้เจ้าราคะโทสะโมหะหนที่มันเป็นโรคของจิตขึ้นมาเนี่ย เรา <Okay. S 1> จะตัดมันตรงนี้ให้ออกให้ได้เนี่ยก็คือต้องใช้สติเนียเราต้องดูให้ดีก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนเนะพอเรามีสติตั้งขึ้นได้เราหาเจอละรากมันอยู่ตรงนี้แดีวนะแล้วขั้นต่อไปเนี่ยพอคนที่มีสติแล้วจะมีสมาธิเดนะมีสมาธิแล้วเนี่ยจะสามารถเห็นตามที่เป็นจริงก็จะตัดไอ้ตรงเจ้ารากตรงนี้ของมันได้อ๋อค <Okay. S 1> นะ่ะวพอเฉาะนอมไปเรื่อยๆเนี่ยนอผลดอกที่มันจะออกมาเป็นราคาโทสามะมันก็จะเบาบางลงนะพอเบาบางลง เออไออาการที่เราจะทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจมันก็จะน้อยลงอันนี้เป็นไปได้ค่ะนะงั้นก็เท่ากับว่าถ้าบางทีคนอื่นยังไม่ตัดถึงขนาดตัดสินแล้วก็ปลิกตัวออกห่างจากเราหรือมีปฏิกิริยาที่ไม่ดีกับเราอย่างอื่นถ้าเรารู้สึกนิดๆเป็นอะไรก็ไม่รู้เออเป็นโรคอ่ะมันรู้สึกตัวเองนะคะเวลาเดี๋ยวนี้หงุดหงิดค้องขึ้นแล้วเอาไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยอืมอืม ก็ฝึกแบบนี้ได้เลยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วแล้วกระบวนการตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ไปแก้ที่ข้างนอกไงไ <c oughs> ม่ได้ไปแก้ที่สิ่งแวดล้อมประเทศชาติประเทเมืองต้องเปลี่ยนแปลงนะโอเคนั่นก็เป็นไปตามระบบนะ <c oughs> เปลี่ยนก็ดีไม่เปลี่ยนก็แต่ว่ามันมีวิธีแก้อย่างอื่นคือวิธีแก้ที่ข้างในใจของเราแก้ที่ในใจของเราแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามอ่ะเราจะพูดถึงโรคมะเร็งโรคกระเพาะโรคลำไส้อะไรต่างๆเนี่ยนี่เป็นโรคทางกายเฉย แต่ <Okay. S 1> โรคที่มันแย่กว่าหนักกว่าแล้วก็เป็นกันข้ามพพข้ามชาติเกิดมาชาติมัก็ยังเป็นอยู่เนี่ยก็คือโรคที่มีราคาโทสะโมหะเนี่เป็นเหตุเป็นมูลน่ <Okay. S 1> ละมันก็จะทําให้อาการออกมาเป็นจิตร้อนน่ะ น, นี่คือโทสนะเนืหิวนี่คือราคะแล้วก็มืดนี่คือโมหะน่ะมันจะทําให้จิตเป็นแบบนี้พอจิตมีอาการร้อนหิวมืดแล้วเนี่ยมันอาจจะทําผิดศีลได้อันนี้ยิ่งจะแย่มากเลย ก็ต้องระวังให้ดีให้อยู่ในกรอบขอบเขตคือในร่างกายของเราถ้าดูทางกายเนี่ยนะมันก็มีเชื้อโรคอยู่แล้วล่ะแต่ว่ายังถูกควบคุมอยู่ในระดับที่น้อยะไม่ให้เกิดเป็นความไม่สบายขึ้นมานโดยใช้ระบบเม็ดเลือดขาวบ้างหรือยาบ้างหรือว่าร่างกายมันรักษาตัวมันเองก็จะเป็นอย่างนั้นนะจิตของเราก็เหมือนกันนะมีราคฐาโทสะโมหะอยู่มีรากของมันคือตัณหาวิชาอยู่แต่ก็ยังถูกควบคุมอยู่ได้ด้วยอะไรด้วยกุศลธรรมต่างๆที่เรามี เช่นบางทีเราก็พูดดีกันมีจิตใจเมตตากันรักษาศีลได้เมันยังมีอยู่แต่มันก็ยังถูกควบคุมอยู่ในลักษณะที่ไม่ให้มันทำร้ายจิตใจเรามากนะเป็นไปอย่างนั้นซึ่งตอนนี้นอกจากแก้เรื่อง reverse culture shock ได้แล้วยังแก้เรื่องปัญหากับเพื่อนในที่ทำงานปัญหาในครอบครัวปัญหายาเสพติดนะแกับตัวเองเนี่ยจะแก้ได้พวกนี้อเล่นฟังแล้วดูเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโอสดคิป แล้วก็เป็นเหมือนกับวิตามินที่เราทานป้องกันโรคอาหารเสริมต่างๆกับเป็นยารักษาโรคถูกต้องถูกต้องได้ในตัวเดียวกันหมดถ้าหากว่าเราพยายามพาตัวเองเข้ามาในคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งวันนี้พระมหาเพรพูนชี้ให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราอยาคิดว่าเป็นเรื่องภายนอกนะมันเป็นเรื่องจากจิตเป็นเรื่องภายในทั้งนั้นนะคะแล้วอธิบายได้แล้วก็ต้องแก้และแก้ได้คือเป็น การพูดแบบให้กำลังใจเลยน ะ, ะตัวตัวอย่างที่คุณยมติยยกมาเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะแตนะ่คุณแม่อายุมากแล้วแตนะ่ทางการแพทย์นี่เขาเรียกว่าถอนใจแล้วก็ได้ก็ได้อะเพราะว่าอัลไซเมอร์เนี่ยมันไม่มียากแก้ค่ะนะแต่ว่าก็ยังมีธรรมโอษฐ์นะคือฟังสิ่งที่เป็นพุทธวจนะสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยอัตถาก็ตามโดยเปียนชนะก็ตามนะแล้วก็จิตใจก็ค่อยเบาลงเบาลงแต่นี้อาจจะต้องใช้เวลาค่ะนะอันนี้ก็ค่อยรักษากันไปค่ะ แต่คิดว่าในกรณีรักษาคนป่วยนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ในกรณีดูแลตัวเราเองเนี่ยแล้วเรื่องพวกเนี้ยคนอื่นทำให้หมันทียากนะคะสมมติว่าลูกคนนั้นเนี่ยหรือลูกคนอื่นมีประสบการณ์เดียวกันพยายามจะช่วยคุณแม่ด้วยวิธีเหล่านั้นหากตัวคุณแม่เองไม่เปิดรับเลยเนี่ยไม่ได้ผลนะคะใช่ให้เข้าใจว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ตัวเราเองเนี่แหละจะมีบุญมีวาสนาในการที่จะ รับออกไปปฏิบัติหรือเปล่าใช่อันนี้ก็สําคัญมากเนี่ยเพราะว่าถ้ายาภายนอกอย่างเงี้ยยาที่เป็นยาเม็ดเนี่ยบางทีถ้าคนไข้เขาปฏิเสธที่จะกินเนี่ยเราอา จ, จะผสมใส่น้ําให้เขากินเนี่ยให้เขากินได้อย่างได้น่จะได้ผลบ้างแต่ถ้ายาเราพูดถึงยาคือธรรมะเนี่ยถ้าบอกว่าเขาไม่เอาเลยอะ่ะคือคือบางทีเนี่ยเราจับป้อนให้เขาใช่ไหมคือถ้าพูดถึงอาหารธรรมดานะป้อนให้เขาเขาบ้วนออกมา แต่ <Okay. S 1> เขาไม่ยอมเคี้ยวกลืนลองไปเอเราก็ยังเปลี่ยนวิธีให้เขาเข้าไปในท้องเขาได้ใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่ามากเกินไปบางทีร่างกายมันไม่รับเข้าไปในท้องก็จริงแต่ว่าเป็นในระบบเลือดอะไรแล้วร่างกายมันไม่ไมรับอันนี้ก็คือถึงจุดที่มันจะต้องไปล่ะ <Okay. S 1> เช่นเดียวกันในกรณีของยาที่เป็นธรรมะเนี่ยบางทีเอาหนังสือให้ก็ไม่อ่านเอาวางที่อ่านให้ฟังก็ไม่ฟังไม่เปิดฟังเอาเปิดให้ฟังด้วยแล้วก็ใส่ใจไปทางอื่นมันก็เลยแบบยากนิดหนึ่งมันก็ต้องให้เข้าจิต น้อยมาบ้างน้อยนิดนึงก็ยังดีเราก็พยายามอย่างน้อยก็ให้มีความพยายามทำมันละกันนะคะแล้วเราก็ลองมาหลับตานึกถึงในกรณีที่วันหนึ่งมนุษย์นี่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมจริงๆเหตุปัจจัยอย่างที่เพื่อนๆท่งกลับเนี่ น, นะคะจากเดิมเราเป็นคนที่อารมณ์ไม่ค่อยเครียดมันค่อยๆพัฒนาขึ้นจนกระทั่งเราถึงจุดที่เราไม่ยอมรับอะไรอืแล้วกลายเป็นว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มียาดีและเคยมีจิต ใจที่ไม่ปฏิเสธแต่กลายเป็นว่าเมื่อถึงวันนั้นเราอาจจะถูกสภาพแวดล้อมทําให้เราปฏิเสธของดีๆแบบนี้แล้วไม่มีใครช่วยเราได้ก็ได้งั้นการป้องกันสําคัญนะคะตรงนี้ทําให้บางคนเนี่ยมองไปว่าเป็นเรื่องของทางกายคือค บ, บางคนอาจจะคิดอย่า ง, งานั้นเช่นวัยทองอย่างนี้เป็นต้นแต่พออายุมากขึ้นเอาร่างกายระบบฮอร์โมนมันเปลีป่ยนแปลงไปแล้วคุณก็ไปโทษวัยทองใช่ไหมโทษ ค, คือโทษความแก่ เพราแต่ความแข่มันจะไปหลีกหนีได้ยังไงเนะนี่ยมันก็ต้องเจอทุกคนก็ต้องเจอเนะทีนี้ในการทําความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องกลับมาที่จิตเหมือนเดิมนะีคือราคะโทสะโมหะที่ เ, เราเปรียบเหมือนกับว่าเป็นโรคของจิตถูกไหมเวลามันจะเกิดมันเกิดขึ้นที่จิตแน่นอนทีนี้ว่าจิตเนี่ยอยู่ในกายจิตเนี่ยอยู่ในกายทีนี้บางทีระบบของร่างกายอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อเฟื้อให้มีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นได้มากหรือน้อยอันนี้เกี่ยวข้องกัน <C> e <an> อันนี้อาาต้องการจะเปรียบเทียบอยงเช่นถ้าเราเปรียบเหมือนกับต้นไม้แตต้นไม้เนี่ยโตบนดิ น, นต้นไม้โตบนดินอันนี้แน่นอนแต่ถ้าแปดว่าอากาศมันชื้นหรืออุณหภูมิพอเหมาะพอสมในการที่จะเอื้อเฟื้อให้ต้นไม้มันโตหรือมันเฉาก็จะมีผลแต่ว่าต้นไม้เนี่ยไม่ได้โตบนอากาศเข้าใจไหมต้นไม้ไม่ได้โตบนอากาศแต่อากาศมีส่วนเป็นเหตุผลเกื้อหนุนให้ต้นไม้มันโตเร็วหรือโตช้าได้ <C> e <an> อันนี้ต้องการเปรียบมากับเรื่องของการรยและใจ นะราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นที่จิตแน่นอนไม่ได้เกิดขึ้นในกายแต่สภาพร่างกายบางทีมันเหนียวน้ำได้แต่ถ้ายังเป็นวัยรุ่นยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่บางทีเรื่องราคาคุณกินอาหารประเภทนี้มันก็มีเกิดขึ้นได้มากคุณกินอิ่มเกินไปก็มีความง่วงเกิดขึ้นได้ น, นี้เป็นไปได้แต่ว่าความง่วงหรือราคาหรือโทสะหรือความหงุดหงิดหรือโมหะพวกนี้เกิดขึ้นในใจแน่นอนมันก็ต้องแก้ด้วยกระบวนการเดิมนั่นก็คือในใจของเร า, าอย่างั้น ที่ทางการแพทย์พอดีท่านยกตัวอย่างเรื่องวัยทองนะคะดิฉันก็เข้าใจว่าเขาพูดถึงเรื่องฮอร์โมนว่าจะเกิดอาการแปรปรวนละ่ะทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยนะคะใช่ผู้ชายก็มีวัยทองดิฉันเคยคุยกับคนที่เขาเป็นักบินเขาบอกอ่ะนักบินในช่วงอายุวัยทองเนี่ยจะได้รับการปฏิบัติแบบหนึ่งบางคนถ้าเป็นโรคแปรปรวนอย่างเงี้ยก็ขึ้นบินไม่ได้ประมาณนั้นนะคะทีนี้ดิฉันเข้าใจว่า เหตุปัจจัยทางธรรมชาติที่ว่าภาวะฮอร์โมนถดถอยทำให้กลายเป็นคนขี้งุดหงิดเนี่ยก็แพทย์เขาพิสูจน์แล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องจริงนะคะท่านเพียงแต่ว่าสามารถใช้ธรรมะเนี่ยไปเป็นโอสถได้ถูกไหมคะใช่ใชแล้วก็รีบรักษาค่ะแทนที่จะรับประทานแต่ฮอร์โมนก็ต้องรักษาจิต ด, ด้วยวิธีของพระพุทธเจ้าอืมเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยนะค่ะเอ่อมันเป็นมันเป็นสารที่เหมือนกับ สร้างปฏิกิริยาเร่งปฏิกิริยาหรือปฏิกิริยาพวกนี้นะค่ะทีนี้นักวิทยาศาส์เองเขาก็ยังไม่รู้ร้อว่าเอ๊ะทำไมเวลานี้เราหลั่งฮอร์โมนนี้ทําไมเวลานี้เราหลั่งฮอร์โมนนี้ค่ะแลนะ้วอย่างเช่นคนที่แบบแฮปปี้อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่หนึ่งก็จ ะ, ะมีฮอร์โมนหนึ่งที่ทําให้คุณแฮปปี้แต่คนที่โกรธก็จะมีฮอร์โมนประเภทหนึ่งที่ทําให้คุณโกรธแต่ถ้าถามว่ามันหลั่งมาตอนไหนทําไมอะไรเป็นเหตุให้มันหลั่งออกมามเขาก็ยังไม่รู้ แล้วก็ ค, คือคนที่มันแฮ ppy อ่ะเจอเรื่องที่พอใจหรือว่าคนที่เจอเรื่องไม่พอใจมันก็กลับมาที่จิตอีกอ ะ, ะจิตเป็นแบบเนี้ยจึงทําให้หลั่งโฮอร์โมนประเภทนี้ออกมาและก็กลับมาที่จิตอีกนี่แหละคือเหมือนกับว่าบางทีอธิบายกลับทางกันได้อันนี้ก็เป็น reverse อ่า explanation อย่างเงี้ยนะพี่คะคือเป็นของที่อาศัยกันเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยกายกับจิตต้องบอกว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนแน่นอนนะคะ ตรงตัวนี้จึงเป็นประเด็นที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้ฟังว่าเธอจะต้องภาวนาคือพัฒนาเนี่ยให้จิตเนี่ยนะให้มันแยกจากกายให้ได้ค่ะนะแยกจากกันเนี่ยก็คือหมายความว่าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับดวงจันทร์ที่อยู่บนฟ้าในช่วงนี้อาจจะยังสังเกตเห็นพระจันทร์เต็มดวงอยู่เราลองมองดูบนฟ้าพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเราก็ดูบนผิวน้ํำดวงจันทร์ที่สะท้อนอยู่บนผิวน้ํากับดวงจันทร์ที่อยู่บนฟ้าเนี่ยเป็นดวงเดียวกันนะแต่มันแยกจากกัน มันแยกจากกันดวงหนึ่งอยู่บนฟ้าดวงหนึ่งอยู่บนน้าอันนี้พระบุญช่าเปรียบเทียบให้นะสอนพิกษุนทั้งหลายบอกว่าเธอภาวนาเนี่ยให้จิตเป็นแบบนี้นัคือกายกับใจมันล็อกกันอยู่ด้วยกันก็จริงแต่ว่าภาวนาพัฒนาจิตจนกระทั่งจิตเนี่ยให้มันแยกจากกายอย่างนี้แต่มันเกิดจากอันเดียวกันก็จริงอ่ะแต่ให้มันแยกจากกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทําอย่างนี้ได้นะเราก็จะรักษาใจได้นะเพราะว่ากายเนี่ยมันจะมีแต่แบบแย่ไปข้างหน้ามันเป็นของรังโรคนะ เป็นรังของโรคโรคภัยแค่เจ็บอะไรต่างๆอยู่ในนี้แตถ้ากายมันแย่ไปแย่ไปแย่ไปแล้วเนี่ยถ้าจิตของเรามันไปเกาะกับกายตรงนั้นจิตเราก็จะแย่ตามนะเราจึงจะต้องแยกจิตออกมาเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าโอ้ยกายมันเป็นอย่างนี้เราจะคลายกําหนัดปล่อยวางแล้วเราจะบริสุทธิ์ได้นะคําว่าเราในที่นี้หมายถึงจิตของเราจะบริสุทธิ์จากกายที่มันแก่ง่อมลงจิตของเราจะบริสุทธิ์จากกายที่มันเป็นของรังโรคเป็นของมีแต่จะแย่ลงเนี่ยได้แยกตรงนี้คือหมายถึงตรงนี้นั่นเอง ทีนี้ท่านพูดถึงการภาวนามเมื่อสักครู่บอกว่าพระพุทธองค์ได้อ่าต้องการให้ภาวนาจนกระทั่งกายกับจิตแยกจากกาันเป็นเข้าใจถูกไหมคะว่าจะแยกจากกันไดไ้ต้องอาศัยการภาวนาถูกต้องภาวนาอย่างไรก็ต้องมะให้ภาวนาเนี่ยปลายเป็นเป็นสไตคือการพัฒนานหนึ่งพัฒนาจิตซึ่งในที่นี้กระบวนการที่เราจะพัฒนาจิตให้มีความสูงขึ้นในแยกออกจากกายเห็นตามที่เป็นจริงในกายได้เนี่ย ก็คือการเรื่องของศีลในเรื่องของสมาธิในเรื่องของปัญญาก็คืออริยามารรคมีองค์แนะเช่นว่าเวลาที่เราอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมเห็นคนที่เขาทําไม่ดีทำชั่วทำบะ ท, ทำผิดทำบาปาก็อย่าให้โกรธนะให้มีความเมตตาให้มีความเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผนะ่จะพูดจาอะไรก็อย่าไปพูดทิ้มแทงเขาด่าเขานะให้พูดวาจาที่มันจะสมัครสมานสา ม, มา ก, กีการนะมีใจเอื้อเฟื้อกันมีเมตตากัน ให้ศึกษาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่ในทางได้อ๋อตอนแรกเดี๋ยวฉันเข้าใจว่าภาวนาก็ภาวนาไปนั่งคัสมาธิเดินจงกลมโน่นเลยเพื่อที่พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วมันจะแยกได้ค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบทำได้ทาได้ดีแต่แล้วก็ในชีวิตประจำวันเราก็อย่าทิ้งเราก็ต้องทำด้วยค่ะแต่กำลังจะบอกว่านอกเหนือจากนั้นที่สาคัญคืออย่าละทิ้งการ พัฒนาในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันใช่ท่านคิดพูดทำถูกไหมล่ะถูก ต, ต้องถูก ต, ต้องนะคะอันนี้ะจะเอือเ้อเฝื้อกายวาจาใจค่ะทั้งอตอหน้ารับหลังค่ะทั้งศีลสมาธิปัญญาทั้งที่บ้านที่วัดคือทำให้มันเข้ากันได้หมดในทุกส่วนของชีวิตของเราค่ะงั้นก็เท่ากบับว่าเมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องพูดอีกแล้วว่ารออีกหน่อยหนึ่งให้ทางาน มีหลักฐานพอก่อนแล้วค่อยจะไปวัดนี้ไม่ต้องแล้วถูกไหมคะใช่ใชเพราะว่าสําคัญมากทําได้ทันทีเลยค่ะแล้วเหตุที่จะทําให้เกิดปัญหานี่มันเกิดขึ้นกับพวกเราตลอดเวลาจากชีวิตประจําวันของเรานั่นแหละแล้วแล้วการทําได้ทันทีตอนนี้ก็ได้อันนี้สองทันทีเลยเนี่ยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราได้ทันทีด้วยเหมือนกันอย่างที่ยกมาเมื่อสักครู่อานิสงในที่นี้ท่านหมายถึง เรื่องบุญหรือว่าเรื่องเห็นผลทันทีคือชีวิตมันสงบมากขึ้นคะ่ะใช่ใชเห็นผลอันนิสงก็คือความสงบของใจที่ราคษาโทสะมหามันลดน้อยลงประสิทธิภาพในการทํางานเราจะมากขึ้นความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน <S <S ครอบครัวเราจะดีขึ้นอันนี้จะเป็นอันนิสงที่เห็นได้ทันทีค่ะอืเป็นเรื่องที่น่าคิดอืมแล้วก็เราสิ่งที่ต้องระวังคุณยมติเพราะ ว, ว่าบางทีกระแสของโลกมันดึงไป เราลืมไปเราลืมเผลอสตินะหลงละเริงไปตามเพื่อนชวนเพื่อนพาไปอย่างนี้เราก็ต้องคอยระวังตัวที่มันจะทำให้เราเผลอเพลินนก็ต้องมีคอยมีสติอยู่เรื่อยๆต้องคบเพื่อนดีต้องฟังธรรมะอยู่อย่างสม่ําเสมออันนี้จะช่วยได้มากค่ะคือถ้าแบบไม่ต้องมาถามพระอาจารย์บ่อยๆเนี่ยยังคิดว่าเราก็ตั้งเอาเรื่องห ล, กหลกักๆอ่าพึ่งเอาไว้คือให้รู้ว่าพุทธเจ้ า, าสอนอย่างนี้ ในการดําเนินชีวิตให้ดําเนินตามอริยมรรคมีองค์แปดอย่างนี้ได้ไหมคะใช่ใช่ถูกต้อง <c oughs> คือเชื่อในการตรัดสรู้ของพระพุทธองค์มีทิฏฐิที่ถูกต้องในอริยสัจสี่แล้วก็มีความคิดที่ละจากการเปลีเ บ, บียดเบียนใช่นะคะแล้วก็เรื่องของสมบาบัติจ้านี้สําคัญใช้อยู่ตลอดใช่แล้วก็ยังมีการงานอาชีพที่ถูกต้องแล้วก็ทำอาชีพการงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แล้วก็ยังเรื่องของจิตก็ให้พัฒนาให้สูงขึ้นมีสัมมาวายมะเอาอา ก, กุศลออกจากใจใส่กุศลเข้าไปให้มากพยายามทำจิตให้เป็นอรมันเดียวตั้งสติขึ้นอยู่บ่อยๆฝึกพวกนี้ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนอเรียกว่าจับหลักเอาไว้ให้มั่นแล้วก็นำเอ า, อาสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้ น, นไปประยุกว่าหลุดจากหลักหรือเปล่าหลุดก็ดึงกลับเข้าหลักทำไมนี่ถูกหมคะถูกต้องถูกต้อง ดิฉันสงสัยเรื่องสัมมาอาชีวะกับสัมมากัมมันตะ mm hmm. อยู่หน่อยนะคะท่านคะคือเรื่องจะเจอคนดีๆเนี่ยที่ชีวิตเขาอาจจะเหนื่อยยากมากขึ้นจากเรื่องฐานะการงานใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็อาจจะเปลี่ยนอาชีพจากเคยค้าขายอาหารธรรมดาเนี่ยเป็นการพาคนไปเล่นการพนันในบ่อน mm hmm. ซึ่งก็เหมือนกับการพาคนไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะอื mm hmm. อันเนี้ยถือว่ามันผิด สอมาไหมคะเอ่อคือเรื่องของอาชีวะนะี่คือหมายถึงศิลปะ ท, ที่เราใช้ในการประกอบวิชาชีพค่ะนะในการประกอบวิชาชีพเนี่ยพระพุทธเจ้าให้เกณฑ์ไว้แล้วนั้นะโดยการพูดถึงเรื่องของมิจฉาอาชีวะก่อนค่ะนะคือการล่อล่ำด้วยลาบกนะารพูดท้ายเจ็บใจจนจนต้องยอมตกลงกนะารใช้ของมีค่าน้อยต่อขอมีค่ามากการพูดโกหกการพูดหลอกลวงแตนะ่ถ้าการงานอาชีพของเราเกี่ยวข้องใน4ี่อย่างนี้ถือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะไม่ว่าอาชีพนั้นจะเป็นเซลเซลแมนขายของ แ ต, แต่ว่าคุณใช้ขอมีค่าน้อยต่อก่อมีการมาอันนี้ถือว่าเป็นมิชาชีว ะ, ะนะหรือว่าอาชีพคุณอาจจะสุจริตอ่ะดูแล้วเหมือนสุจริตแ ต, แต่ว่าถ้ามีการโกโหกถือว่าอาชีพนั้นไม่สุจริตอืเป็นอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าคิดพราะตื่นกึนมามาคิดตามเอนก็เข้าลําบากนะก็พาคนไปเที่ยวนะแต่ว่าไปเที่ยวเนี่ยไิส่งแถวนั้นอืมคุณจะเล่นไม่เล่นในเรื่องของคุณนี่อืมมันก็จะเข้าข่ายเรื่องของ อมิจฉามิตรด้วยนะเพื่อนที่ไม่ดีเก็ชักชักชวนกันไปเล่นการพร น, นันนี้ก็คือตัวเองอาจจะไม่ได้ทําแต่ว่าชักชวนเขาไปเปิดโอกาสให้มันก็มีส่วนที่จะทําให้เกิดอกุศลธรรมคือมีเอียวเขาใช่<ด>ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงดีกว่าที่มีเท่ะแย่แต่มาว่านะคะ อ, ม, อะมันยังจําเป็นก็ทําไปแล้วหาทางใหม่ที่ดีกว่าเก่าอย่างรวดเร็วใช่ใชเพื่อจะประคองชีวิตของเรานะคะให้ไม่ ติด ก, กับตักที่ให้อยู่ในเส้นทางให้อยู่ในเส้นทางที่จะพ้นจากความทุกข์ได้เดี๋ยฉันก็พาตัวเองเออกจากภาษาพระพุทธเจ้าตลอดเลยขอบพระคุณ <laughs> ท่านมากที่ได้พยายามดึงเข้าไว้นะคะเพราะถ้าเป็นพระพุทธองค์เนี่ยท่านจะพูดถึงคําว่ามัตตคือทางนะคะท่านฟังค่ะค่ะก็คงจะพอแก่เวลาแล้วนะคะควันนี้กลับนมรดการท่านอีกวันหนึ่งนะคะแล้วเราจะมารบกวนท่านใหม่ เช่นเคยในสัปดาห์หน้าวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ส่วนท่านเองก็เหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าต้องพูดธรรมะกันทุกวันเลยที่นี่ค่ะกล่าวมรส ก, การนะคะเยนบานค่ะทนผู้ฟังคะถ้าสนใจให้จะฟังธรรมทุกวันเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีท่านเพริบุญจะมาพบท่านจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะเดิฉันร่วมคุยแค่วันพฤหัสบดีกับวันศุกร์เท่านั้นเองหวังว่า วันนี้เนี่ยเดชันถือว่าเป็นยาม้อใหญ่ยาครอบจั ก, กรวาลแล้วก็เป็นยาที่ใครก็ได้นะคะถ้าเข้าใจและนําเอาไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้ทั้งหมดจับหลักให้มั่นเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอริยมรรคมีองค์8เป็นอย่างไรแล้วก็เอาไปพูดเอาไปทําเลยค่ะนะคะจะกํากับดูแลทั้งการคิดการพูดการทําของเราทําให้ชีวิตของเรานั้นทุกน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะคะพบกันใหม่คะ่ะ ดิฉันสันสนีนาคพงรายการสันสนีสนทนามีนัดกับท่านที่ FM 106รอย่างนี้นะคะวันนี้พุทธวสวัสดีค่ะ